คนไทยสมัยนี้ไม่รู้เป็นยังไงเข้าหาพระแล้ว ท, ท่านยื้นั่งพับเพียบนั่งคัดคัดสมาธิกันไม่มีใครเขาสั่งเขาสอนมันมะจากที้ไหกัน า, า, า เ, เคยมาอเเคยมาเม่อาทิตย์ที่แล้วหวนา้าครอ๋อคราวนี้มีธุระอะไรหรือเปล่า วันเกิดค่ะวันเกิดพรุ่งนี้ค่ะฉันวันนี้วันเกิดใช่ชอบวันเกิดไม่ชอบวันตายแต่มันมาด้วยกันังทำยังไงถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายถ้าเราชอบวันเกิดแล้วก็ต้องชอบวันตายเราจะได้มีความสุขไหมที่เราทุกกันก็เพราะว่าเราไม่ชอบ ถ้าเราชอบเราก็จะมีความสุขเราชอบวันเกิดเวลาเกิดเราก็มีความสุขกันถ้าเราชอบวันตายเวลาตายเราก็จะมีความสุขกันแล้วเรามาหัดชอบวันตายกันเพราะว่าวันตายกับวันเกิดมันก็เหมือนกันคือสิ่งที่เกิดสิ่งที่ตายมันก็ไม่ใช่เรา ร่างกายที่เกิดร่างกายที่ตายนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเราได้มาหรือเราเสียไปเราก็ไม่ได้กาไรหรือขาดทุนเพราะเราก็ยังอยู่เท่าเดิมเราคือใจคือผู้รู้ผู้คิดเราก็ยังคิดได้เหมือนเดิมยังรู้ได้เหมือนเดิม ว่ามีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเราก็เหมือนเดิมจะไม่เหมือนเดิมเ่อตองที่สุขหรือทุกข์เท่นั้นถ้าเราถ้าเราไม่อยากได้สิ่งใดแล้วพอเราได้เราก็จะทุกข์ถ้าเราอยากได้สิ่งใดพอเราได้เราก็จะสุขเหัน ในเมื่อเราได้ร่างกายมาแล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขกับมันเราก็ต้องอยากให้มันแก่อยากให้มันเจ็บอยากให้มันตายเพราะเวลามันแก่เราก็จะได้สมหวังเวลามันเจ็บเราก็จะได้สมหวังเวลามันตายเราก็จะได้สมหวังเราก็จะมีความสุข ที่เราไม่สุขกับความแก่ความเจ็บความตายก็เพราะว่าเราไม่ต้องการมันเราไม่อยากได้มันแต่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีจากมันไม่ได้พอเราได้มันเกิดแล้วเราก็ต้องได้วันแก่ได้วันเจ็บแล้วก็ได้วันตายมันเป็นของที่มาด้วยกัน ถ้าเราไปรังเกียจเราก็จะทุกขไ ป, ปเปล่าๆเพราะว่ารังเกียจยังไงไม่อยากได้อย่างไรมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีต้องได้มันอยู่ดีต้องได้ความแก่ต้องได้ความเจ็บต้องได้ความตายอยู่ดีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราให้มาเปลี่ยนใจ ในเมื่อเราชอบวันเกิดเราก็ต้องชอบวันแก่ชอบวันเจ็บชอบวันตายเราจะได้มีความสุขเหมือนกับเวลาเราเกิดเราก็ดีใจกันเราแก่เราก็ควรจะดีใจกันเราเจ็บเราก็ควรจะดีกันดีใจกันเราตายก็ควรจะดีใจกันเพราะไม่เช่นนั้นเราจะทุกข์ถ้าไม่ดีใจอย่างน้อยก็ให้เราเฉยเฉยไว้ก็แล้วกัน อย่าไปรังเกียจอย่าไปรังเกียจความแก่อย่าไปรังเกียจความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปรังเกียจความตายเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ไปเ ป, ปล่าๆเพราะรังเกียจหรือไม่รังเกียจเราก็ร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ได้อยู่ดีแต่ใจของเราจะสุขหรือจะทุกข์หรือจะไม่สุขหรือไม่ทุกข์ก็อยู่ตรงที่ วิธีทําใจกันใจของเรานี้ไม่ต้องทุกกับความแก่ไม่ต้องทุกกับความเจ็บไม่ต้องทุกกับความตายที่เราทุกก็เพราะว่าเราไปรังเกียจความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่อยากจะทุกขอให้เรามาหยุดความรังเกียจความแก่ความเจ็บความตายอย่าไปรังเกียจความแก่ อย่าไปรังเกตยความเจ็บอย่าไปรังเกตยความตายเวลาแล้วเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายเราจะไม่ทุกข์ทุกวันนี้พวกเราทุกข์กระทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อที่จะไม่ต้องทุกข์แต่ทำยังไงก็หนีมันไม่พ้นหนีความแก่ไม่พ้น หนีความเจ็บไม่พน้นหนีความตายไม่พน้นสู้เราหาเราหันหันหน้าเข้ามาเผชิญมันดีกว่าเราไม่ต้องหนีพระพุทธเจ้ามีวิธีทําให้พวกเรานี้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายให้เรามาเปลี่ยนทัศนคติเป็นเป็นความ ความรู้สึกของเราต่อความแก่ความเจ็บความตายให้เราหยุดรังเกียบให้เราพร้อมที่จะรับความแก่พร้อมที่จะรับความเจ็บพร้อมที่จะรับความตายและเราจะไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนานาร่างกายเป็นอะไรนี่ผู้รู้ผู้สั่งผู้คิดไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายถ้าเปรียบเทียบร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจก็เป็นเหมือนคนขับรถยนต์ รถยนต์จะเป็นยังไงคนขับไม่ได้เป็นไปกับรถยนต์รถยนต์เสียรถยนต์พังไปคนขับไม่ได้เสียไม่ได้พังไปกับรถยนต์คนขับจึงไม่ค่อยเดือดร้อนกับรถยนต์เวลารถยนต์เสียก็ขับเข้าไปเอาไปเข้าอู่ไปซ่อมเวลารถยนต์พังก็เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่คนขับก็ยัง อยู่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นใจของพวกเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายแก่ใจของเราไม่ได้แก่ร่างกายเจ็บใจของเราไม่ได้เจ็บร่างกายตายใจของเราไม่ได้ตายเราต้องมาสอนใจให้มองร่างกายใหม่ ตอนนี้เรามองร่างกายว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เลยกลัวไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะเราคิดว่าเราจะแกะ่เราจะเจ็บเราจะตายไปกับร่างกายแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเรารู้ ว่ามันไ ม, ไ, Force. ไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่เดือดร้อนกับมันถ้าเรามองร่างกายของเราเหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นนี้เราไม่ค่อยเดือดร้อนเวลาเขาแก่เวลาเขาเจ็บเวลาเขาตายเราไม่เดือดร้อนเลยเพราะเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเรา แต่ถ้าเราไปถือว่าเป็นของเราถึงแม้จะไม่ใช่เป็นตัวเราเราก็เดือดร้อนได้เช่นถ้าเราไปถือร่างกายของของสามีของภรรยาของลูกว่าเป็นของเราเวลาเขาเป็นอะไรเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะเราไปถือว่าเป็นของเราถ้าเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเราจะไม่เดือดร้อน ร่างกายของคนที่เราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราเวลาเขาเป็นอะไรไปเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรดังนั้นเราต้องมาเปลี่ยนทัศนคติใหม่มามองร่างกายในมุมใหม่อย่ามองในมุมเดิมเพราะมุมเดิมนี้เป็นการมองโดยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วทำให้เราปฏิบัติกับมันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ไปถือว่าของที่ไม่ใช่เป็นของเรามาเป็นของเราเราก็เดือดร้อนขึ้นมาถ้าเราไปถือว่าของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราแต่พอเราไปถือว่าเป็นของเราเราเดือดร้อนขึ้นมาทันที เช่นเราได้ร่างกายของสามีได้ร่างกายของภรรยามาเป็นของเรานี่พอเขาเป็นของเราแล้วทีนี้เราเดือดร้อนนะพอร่างกายเขาแก่ <S <s <uck> เขาเจ็บเขาตายนี่ <s us> <ke mud ian> เราเดือดร้อนขึ้นมาทันทีถ้าร่างกายของลูกเราเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะเดือดร้อนทันทีแต่ถ้าเป็นร่างกายของลูกคนอื่นนี่เราไม่เดือดร้อน เราต้องเปลี่ยนทัศนคติมองร่างกายของเราและมองร่างกายของทุกๆคนว่าไม่ใช่เป็นของเราร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราให้มองอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจเราจะไม่เดือดร้อนแล้วเราต้องมองว่าร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม เมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามมาทุกคนถ้าเราเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราจะไม่หลงจะไม่ลืมแล้วเราจะไม่ตกใจเวลาได้ยินข่าวของคนนั้นไม่สบายได้ยินข่าวของคนนั้นตายไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของร่างกายของคนทุกคน เมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ถ้ารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนเพราะเราไปอยากความอยากนี้ทำให้เราเดือดร้อนพออะไรเป็นของเรานี่เราจะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาดังนั้นเราต้องอย่ามีความอยากต้องหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครถ้าเราไม่มีความอยากให้ร่างกายของเขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราจะไม่ทุกข์เลย คนที่เราไม่รู้จักนี้เวลาร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาตายนี้เรารู้สึกเฉยเฉยเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอร่างกายของคนไหนที่เราอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เราจะเดือดร้อนจะร่างกายของคนที่เรารักจะร่างกายของในหลวงพระเจ้าแผ่นดินเรารักพระองค์ท่าน เราก็อยากให้ท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราได้ยินข่าวว่าท่านเจ็บเราก็ไม่สบายใจก็เพราะความอยากของเราการไม่มีความอยากให้ร่างกายของเขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้มันไม่ได้เป็นความอกติอยู่หรือความความไม่มีความเมตตาแต่อย่างใด ความอยากนี้มันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ความไม่อยากนี้ไม่ได้ทำให้เรามีความ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันทำให้เราเป็นคนใจไร้ความเมตตาหรือไร้ความกตัญญูไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของความจริงความจริงก็คือความอยาก จะทําให้เราทุกข์กันแล้วความอยากนี้ก็ไม่ได้ไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามความอยากของเราอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายนี้ไม่สามารถไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของทุกๆคนได้ดังนั้นถ้าเราเฉยๆกับความแก่ความเจ็บความตายของคนที่เรารักนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักท่านไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความกระตันอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความปรารถนาดีมันเป็นเรื่องของความจริงที่ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราจะไม่เดือดร้อนเพราะอะไร เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ตายนั้นไม่ได้เป็นอะไรคือร่างกายนี้มัน ไ, ไ, ไ, ไม่ได้เป็น anyway. ไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นน้องไม่ได้เป็นภรรยาไม่ได้เป็นสามีไม่ได้เป็นลูกคนสิ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจ ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นเวลาร่างกายของใครตายไปนี้เจ้าของร่างกายนั้นเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาก็เป็นเหมือนคนขับรถรถของเขาพังไปแต่ตัวเขาไม่ได้พังไปกับรถเขาก็ไปซื้อรถใหม่เท่านั้นเองถ้ายังอยากจะใช้รถอยู่ก็ไปซื้อรถใหม่ จะซื้อได้คันไหนราคาขนาดไหนก็อยู่ที่เงินทองที่มีอยู่ถ้ามีเงินมากก็อาจจะซื้อรถใหม่ที่ดีกว่าคันเก่าก็ได้แต่ถ้ามีเงินน้อยก็อาจจะซื้อรถที่ไม่ดีเท่ากับคันเก่านี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่เป็นเหมือนคนขับรถส่วนร่างกายของพวกเรานี้เป็นเหมือนรถยนต์ ถ้าเรายังอยากจะใช้ร่างกายยังอยากจะมีร่างกายอันใหม่เราก็ต้องหาเหงินเตรียมตัวซื้อร่างกายอันใหม่เหมือนกับถ้าเราต้องการจะซื้อรถคันใหม่เราก็ต้องหาเหงินเพื่อเวลาที่เราจะเปลี่ยนรถเราจะได้มีเงินซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่าคันเก่าถ้าเงานินไม่มากพอเงินน้อยก็ต้องซื้อรถที่ไม่ดีเท่ากับคันเก่า เงินที่จะมาทำให้เราซื้อร่างกายอันใหม่นี้เราเรียกว่าบุญบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนี่บุญสองอันนี้จะทําให้เราสามารถซื้อร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าอันเก่าได้ร่างกายอันเก่าถ้าตายไปแล้วถ้าเราทำบุญไว้มากเรารักษาศีลได้มาก จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าอันเก่ารูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าอันเก่ามีเงินมีทองใช้มากกว่าร่างกายอันเก่ามีสุขภาพแข็งแรงกว่าอันเก่ามีอายุยืนยาวนานกว่าอันเก่ามีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากกว่าอันเก่า อันนี้คือบุญที่เราควรจะสร้างกันควรจะมาทาบุญทาทานกันอยู่เรื่อยๆรักษาศีลกันอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เรามีสติปัญญาแหลมคมมีความฉลาดการทำบุญจะทำให้เรามีทรัพย์ การรักษาศีลจะทําให้เราไม่ต้องไปมีร่างกายที่เราไม่ชอบกันก็คือร่างกายของเดรัชานถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เราจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เราจะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัชานนี่คือเงินที่เราควรที่จะสะสมกันพรเงินนี้เราเอาติดตัวไปได้เอาไปข้ามพุกข้ามชาติได้ ตายจากชาตินี้เราเอาบุญไปกับเราได้แต่เราเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปไม่ได้เงินทองที่เรามีมากน้อยเท่าไหร่ตายไปนี้กลายเป็นของคนอื่นไปหมดดังนั้นเราควรที่จะเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้มาแปลงเป็นบุญกันมาเปลี่ยนเป็นบุญเหมือนกับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนี้เราต้องเอาเงิน ไทยนี่ไปเปลี่ยนเงินดอนเอาเวลาไปต่างประเทศนี้เอาเงินดอนนี้ใช้ง่ายกว่าใช้เงินไทยเงินไทยนี้ไปบางแห่งเขาไม่ใช้เขาไม่รับถ้าเงินดอนนี่ไปที่ไหนเขารับหมดเงินดอนเงินยูโรเงินปอนเป็นเงินที่ใช้ง่ายฉันใดถ้าเราอยากจะมีเงินติดตัวไป เราก็ต้องเอาเงินที่เรามีอยู่นี้มาเปลี่ยนเป็นทานมาเปลี่ยนเป็นศีลมาปฏิบัติธรรมกันมาสร้างสติสร้างปัญญามาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วรับรองได้ว่าร่างกายของเราอันหน้าจะดีกว่าร่างกายอันนี้ฐานะการเงินการทองจะดีกว่า สุขภาพจะแข็งแรงกว่าอายุจะยืนยาวนานกว่าผิวพรรณผ่องใสกว่ารูปล่างหน้าตาดีกว่าอันนี้เป็นอ น, นิสง์จากการที่เราทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทำใจให้สงบกันนี่เป็นการเปลี่ยน ทรัพย์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้กลายเป็นทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้คือเป็นบุญเป็นกุศลแล้วถ้าเราอยากจะไปแบบไม่กลับมาเลยเพราะเราเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าทุกครั้งที่เราเกิดแล้วเราก็ต้องกลับมาแก่เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเราไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายเราก็ต้องไปแบบไม่กลับกันการไปแบบไม่กลับนี้เราต้องตัดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามตัญหาความอยากจเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขเรียกว่าภาวะตัหา และความอยากให้ราบยศสารเสริญ ส, สุขไม่เสื่อมจากเราไปนี่เป็นความอยากสามประการที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดเพราะเรายังอยากมีราบยศสรสสรเ ส, สิญ ม, มีความสุขกันการจะมีราบยศสารเ ส, สิญ ม, มีความสุขได้เราก็ต้องมีร่างกายเหมือนกับคนที่ยังอยากจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปสงขา ก็ยังต้องมีรถยนต์ก็ต้องกลับมารถยนต์คันเก่าพังไปก็ต้องไปซื้อรถยนต์คันใหม่เพราะยังอยากจะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆฉันใดถ้าเรายังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าเรายังอยากจะให้มีแต่ความเจริญในราบยศสรรเสริญสุขอยู่ถ้าเรายังมีความอยากไม่ให้เราเสื่อมจากราบยศสรรเสริญสุข เราก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็เสื่อมจากลาบยศสารเสริญสุขไปแต่ความอยากเจริญในลาบยศสารเสริญสุขมันก็จะดึงให้เรากลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้มาหาลาบยศสารเสริญสุขกันใหม่ทุกวันนี้เราหาอะไรกันเราก็หาลาบยศสารเสริญสุขกันหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่เราก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่อย่างแน่นอนถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องไปอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันต์ท่านอยู่แบบไม่มีความอยากในลาบยศสารเสริญสุขท่านไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอันนี้เป็น บุญที่สูงสุดเป็นเงินที่ทําให้เรานี้ไม่ต้องมามามาแก่มาเจ็บมาตายเป็นบุญที่ทําให้เรานี้อยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรากําลังมาทํากัน ถ้าเราทำน้อยก็ผลก็จะได้น้อยถ้าทำได้เพียงรักษาศีลกับทำบุญทำทานก็จะไปแค่สวรรค์ชั้นเทพไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆแต่ก็ยังดีกว่าไปเป็นเปรตไปตกนรกไปเป็นเดระชานถ้าเรารักษาศีลห้าไม่ได้เนี่เราต้องไปเป็นเดชะชานไปเป็นเปรตไปตกนรกถ้าเราฆ่าสัต รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเวลาตายไปนี่เราจะต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกกันแล้วพอเงินท้อพอบาปที่เราทำไว้ใช้บาปหมดเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่เป็นจะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาเพราะว่า ไม่มีบุญทำแต่บาปพอกลับมาเกิดก็เลยน้อยอาภัพวาสนาแต่ถ้าเราทำบุญเราไม่ทำบาปตายไปเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆกันแล้วพอเร า, าใช้บุญหมดแล้วเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารามี เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสงาาส่าราศีผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพสมบูรณ์อวัยวะครบ3ามบมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้ใช้นี่คือเรื่องของการทาบุญกับการรักษาศีลถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะขึ้นไปสวรรค์ชั้นผม ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังมีความอยากอยู่ยังไม่ได้ตัดความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขยังไม่ได้ตัดความอยากในการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่ถ้าอยากจะไม่กลับมาแล้วก็ให้ไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือสวรรค์ชั้นนิพพาน ที่เป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องตัดความอยากตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตัดความอยากให้เจริญในลาบยศสรรเสริญสุขตัดความอยากไม่ให้เสื่อมทางลาบยศสรรเสริญสุขเราอย่าไปหาสิ่งเหล่านี้ใจของเรานี้ ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็มีความสุขได้และมีความสุขที่มากกว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการตัดความอยากถ้าเราตัดความอยากได้นี่เราจะได้รับความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการทำตามความอยากไม่เชื่อลองมาทดลองดูเช่นอยากจะสูบบุหรี่นี่นเราอยากไปสูบมันพอเราชนะความอยากสูบบุหรี่ได้นี่ใจหายอยากนี่ใจจะสบายจะรู้สึกไม่เดือดร้อนกับการเห็นบุหรี่เลยไม่ว่าเราอยากอะไร ถ้าเราฝืนความอยากได้แล้วใจของเราจะมีความสุขมากเพราะเราจะได้ไม่ต้องดิ้นเหมือนกับเวลาที่เรามีความอยากเวลาที่เรามีความอยากนี่เหมือนเหมือนปลาถูกน้ําร้อนมันจะดิ้นมันจะอยู่ไม่เป็นสุขแต่พอเราเทน้ําเย็นลงไปให้มันนี่มันก็นิ่งเลยสบายเวลาเราหยุดเทน้าร้อนใส่ ไปในปลาแล้วเราเทน้ำเย็นใส่เข้าไปนี่ปลามันก็จะสบายนี่แหละความอยากมันเป็นเหมือนน้ำร้อนที่ราดใจของเราเวลาอยากทีนี้ใจเราดิ้นพร่านเลยแล้วพอได้ก็หยุดดิ้นเฉเดี๋ยวเดียวก็เลยคิดว่าเป็นความสุขคจริงที่มันหยุดดิ้นเพราะว่ามันเพราะมันได้สิ่งที่มันอยากได้แต่มันหยุดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาใหม่แล พออยากขึ้นมาใหม่มันก็นิ่งข like ึ้นใหม่อีกแล้วแต่ถ้าเราฝืนความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้มันจะไม่กลับมาพอเลิกอยากบุหรี่ได้มันจะไม่กลับมาอยากบุหรี่ถ้าเลิกอยากสุราได้มันก็จะไม่กลับมาอีกถ้าเลิกอยากชอปปิ้งได้มันก็จะไม่ไปชอปปิ้ง แต่ถ้ามันยังมีความอยากอยู่นี่ตอนมันชอบกี่รอบกี่ครั้งมันก็ไม่หายอยากพอวันนี้อยากก็ต้องดิ้นไปตามสถานสถานอะไรศูนย์การค้าต่างๆเพื่อไปชอบกันก็หายหายดิ้นไปสักพักหนึ่งพอกลับมาบ้านวันสองวันเดี๋ยวดิ่นอีกแล่ะอยากอีกล้วก็ต้องกลับไปใหม่ ไปไม่รู้กี่เที่ยวก็ยังต้องกลับไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าลองฝืนว่าต่อไปนี้ไม่ไปละมันอยากไปก็ไม่ไปละเฝืนไปสักไม่กี่ครั้งต่อไปมันไม่อยากไปไปก็เหนื่อยอยู่บ้านเฉยๆสบายกว่าไปก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องเตรียมเงินเตรียมทองอะไรไปไปแล้วก็ต้องเดินไปดูเดินไปเลือก เดี๋ยวไปเจอของถูกใจหลายอย่างก็เลือกไม่ถูกจะเอาอะไหนเดี๋ยวดีไม่ดีก็เอามันทั้งหมดเลยเอามาหมดแล้วก็ไม่รู้จะมาทำอะไรเอามาเก็บกะ บ, บ้านเอามาเก็บไว้นอนตู้แล้วเดี๋ยวก็อยากได้อันใหม่ไปใหม่อีกถ้าลองฝืนความอยากได้ความอยากหายไปในใจมันจะโล่งเลยมันจะเบาเลย มันจะสบายโอ้ไม่มีน้ําร้อมนมาราดใส่ใจแล้วใจเราไม่ต้องดิ้นแล้วไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูวันไหนอยากอะไรแล้วอย่าไปทําตามความอยากเล ต, นะตอนนั้นต้องทุกข์ทรมานเพราะมันมันจะดิน้นมันจะอะไรแต่ถ้าเราบอกมึงดิน้นดิ้นได้เท่าไหร่ดิ้นไปครูจะไม่ไปทําตามที่มึงอยากเดี๋ยวพอไม่รู้ว่าเราไม่ไปจริงจมันก็หยุดดิ้นเอง พอหยิดดินแล้วใจก็เย็นสงบสบายนี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการไม่ทำตามความอยากความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากเพราะจะทำให้ใจของเราสงบวิธีที่จะช่วยให้มันหยุดดิ้นเร็วก็คือเวลามันอยากเราก็ใช้พุทโธอัดเข้าไปเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงสิ่งที่มันอยากได้อย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงสิ่งที่มันอยากทําให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปมันจะหายอยากเร็วขึ้นถ้าอยู่กับพุทโธได้แล้วมันไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งที่มันอยากได้นี่เดี๋ยวเดียวมันก็หายอยากมันก็สงบตัวได้แล้วทุกครั้งถ้ามันอยากก็พุทโธใส่เข้าไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะไม่กล้าผล่ขึ้นมา เพราะมันสู้พุทโธไม่ได้ธรรมย่อมชนะอธรรมเนี่ยความความหมายของธรรมที่ชนะอธรรมธรรมก็คือสติปัญญาของพระพุทธเจ้าอธรรมก็คืออวิชชาโมหะความหลงหรือตันหาความอยากตรงนี้เรียกว่าอธรรมอยู่ตรงข้ามกับธรรมธรรมของพพุทธเจ้านี้เป็นคู่ต่อสู้กับอธรรม ธรรมก็คือตันหาความอยากต่างๆธรรมก็คือสติปัญญาเช่นพุทโธนี่เรียกว่าสติปัญญาก็คือเห็นโทษของความอยากว่าอยากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพออยากจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดต้องหยุดความอยากถ้าเราไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายพอมาเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราให้ฉลองวันเกิดกันขนาดไหนก็ตามมันก็หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทําบุญวันเกิดมันก็หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้จะหยุดได้อย่างเดียวก็คือต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องหยุดด้วยสติด้วยปัญญาพออยากจะไปชอปปิ้งปั๊บก็พุทโธพุทโธไปเลยปัญญาก็คือว่า ถ้าไปช้อปปิ้งเดียวต้องกลับมากเดี๋ยวต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ทุกครั้งที่เราทำตามความอยากนี่แสดงว่าเรากำลังจะกลับมาเกิดใหม่เมื่อเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเราไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายเราก็ต้องอย่าไปทําตามความอยากเมื่อเราไม่ทําตามความอยากเราต่อไปความแก่ความเกิดก็จะไม่มี เมื่อความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องทำกันถ้าไม่อยากจะเจอความแก่ความเจ็บความตายถ้าอยากจะเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ไปเลยอยากจะทำอะไรก็ไปทำเลยอยากจะดูหนังก็ไปดูเลยอยากจะไปช้อปปิ้งก็ไปเลยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเลยรับรองได้ว่า ต้องกลับมาเกิดอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องไม่ทําตามความอยากเหล่านี้ดังนั้นก็ในโอกาสที่เป็นวันเกิดก็เลยขอฝากวันแก่วันเจ็บวันตายที่มันแถมมาด้วยอย่าลืมแล้วก็อย่าไปกลัวมันเพราะเรามีวิธีที่เราจะรับต้อนรับมันได้อย่างที่เราจะไม่สะเทือนใจเราจะไม่ทุกข์ใจเลย ถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มาสร้างสติสร้างปัญญากันแล้วเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายนี้เราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เมื่อเราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตาย ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรอรกลับมาเลยเอาเลยเมีตัวละก็ไปอยู่ก็ได้ไปก็ดีติดตามได้อนี้มันขึ้นมาทางด้านหลังนี่ทงนี้เลยครับ เอามาจากที่ไหนมาจากป่าขอน้อยครับฮะมาจากวัดป่าขอน้อยครับที่ไหนที่พิจิตรอหลวงปูจชันทาเลยใช่ครับแล้วมาทำอะไรแถวนี้นะมาเที่ยว เ, เกิดโยมอ๋ อ, อไม่เคยมา หลวยได้กี่พรรษาอ่าได้ห้าพรรษาครับอืมเป็นคนที่ไหนอาคนที่พิจิตรพิจิตรนะคอืมหลวงปู่จันทามนี่ท่านเสียมากี่ปีแล้วสามปีแลรวสามปีแล้วก็ยังทันท่านอยู่นะท่านอู่ครับอืมําได้ท่านเคยมาเยี่ยมพระอาจารย์หวันที่นี่ท่านเคยท่านรู้จักพระอาจารย์หวันพระอาจารย์หวันเป็นเป็นเพื่อนกับพระหลวงปูจ่จันทา อยู่วัดธรรมกองเพลงด้วยกันพระอาจารย์หวานเป็นคนมาสร้างที่ภักบนเขานี่แล้วท่านขับยเยี่ยมพระอาจารย์หวันที่บนเขานี่หลายปีมาแล้วท่านเป็นเพื่อนกันอาจารย์หวานอาจารย์จันทาอาจารย์ขานนี่ท่านเป็นพระรุ่นเดียวกันเป็นเศษหลวงปู่ขาวท่านสนิทสนมกันเป็นสาธมิกพอพระอาจารย์หวันท่านมา สร้างสำนักที่นี่ท่านก็เลยมาเยี่ยมกันว่อาจารย์ขานท่านก็เคยมาเยี่ยมอาจารย์จยันทาก็เคยมาเยี่ยมแต่ตอนนี้ตากาตายกันไปหมดแล้วอาจารย์หวันก็ตายไปแล้วอาจารย์จันทาก็ตายไปแล้วอาจารย์ขานก็ตายไปแล้วเป็นไปตามกฎของอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายทุกคนแต่ใจไม่ตาย ใจเบอร์สุดผุดผ่องเพราะใจได้สติได้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาชำระกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรามาบวชก็มาบวชเพื่อทําอย่างนี้กันทุกคนนักบวชนี้ไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนักบวชนี้ต้องการทำ ต้องการมากผลนิพพานก็ต้องเปรีกวิเวก ต, ต้องทุดงต้องกรรมาฐานอสุภาปัาปัสติกายกตาสติทำเหล่านี้จะทำให้ใจหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปว ง, งก็ขอให้พยายามปฏิบัติไป เนี๋ยกลับไปจำพรรษาที่ ท, ที่เดิมลเลยที่วัดเขาน้อนนี่แหละมีพระเยอะไหมพระสิบลูกกั บ, บเดี๋ยวนี้ใครเป็นหัวหน้านะอ า, อาจารย์เสถียรครับอาจารย์เสถียรท่านพรรษาเท่าไหร่29ครับท่านก็เป็นพระ ท, ที่วัดเลบก็เป็นลูกศิษย์ังหมดเมีอะไรไหม มีอะไรอยากจะถามรึเปล่าก็ไม่มีครับเอ่อถ้ไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูแลญาติโยมต่อถ้าต้องการหนังสือซีดีก็นิมนต์หยิยได้ตามสบายบทางบ้านมีปัญหาอะไรมไหมมีแล้วเลยอตอนนี้กี่คนนะวันนี้300อยะ ยห้าหวยจะออกแล้วเนะ่ <c oughs> คนฟังหวยกอน้าเท่า <c oughs> เราไม่ได้หวยเนี่ยเราถามทุกวัน <c oughs> เดี๋ยวจะหาเวลาให้หวยไม่ได้ <c oughs> อาจารย์คะขอววรบกวนถามนิดนึงคะ่ะพอดีเคยได้ยินมาว่าถ้าปฏิบัติ ครครมีความสุขรูปที่ดื้อก็จะหายเกลียอะไรอย่างเงี้ยค่อ๋อไม่เกี่ยวกันเหรอไก<ม>ี่ยวันอกจากลูกถ้าลูกมาปฏิบัติด้วยก็จะหายถ้าลูกไม่ปฏิบตัติลูกก็ไม่หายเนาะคนปฏิบัติเนี่ยจะได้ผลแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่จะไม่ได้ผลทางทางวัดอัมพวันอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เคยได้ยินมาค่ะอ๋อก็เขาว่าไปไ ง, ไงนะั้นแล้วไปพิสูจน์ดูอย่างงั้นก็ดีพ่อแม่มาบวช เรปฏิบัติทำแล้วลูกก็หายเกเรได้ก็ดีเลยมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวนะคามเกเรของลูกมันมมันไมน่มันก็ต้องแก้ที่ลูกสิใช่ไหมมาแก้ที่พ่อแม่ได้ยังไงก็จับลูกมาบวชสิก็หายเกเรเลยเจ๊งไหมถามสิอยากจถามอยากไปถามมาจากที่ไหน ผมร่าชิบุวยอ๋อรา่ารีมาด้วยกันเลยใช่ครับพอดีผมมาออกเหน่อยแพ้เพื่อนที่ที่จังหวัดระยองขาดเรียมระะาชาพอดีเสร็จแล้วก็จเดินางกลับก็จะมาแวะกลาวฟังทำหลวงพ่อเนี่แหละครับเออแล้วเป็นไงมีอะไรสงสัยไหมที่แสดงไปแล้วมีอะไรไม่เข้าใจหรือเปล่ายัางยังยังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถอืมี่ต้องทอํามันไปก่อนนะครับอทําไปนะ คามพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นไม่ได้อยู่ที่ความอยากอยากเท่าไหร่ก็จะไม่ได้ชอบเผลอค่ะก็ต้องฝึกให้ไหม่ให้เผลอแก้ได้พุโทโธพุโทโธตลอดแต่ชอบใจเผลอพอเผ<พ> อ, อ, อกลับดึงมาใหม่พอเราก็นึงกลับมาหมเหมือนล้มลุกคุกคานะตอนต้นก<ห>็หัดเดินยังยังเดินไม่ได้ก็ล้มไปพอเผลอก็เหมือนก็ล้มลงไปพอเราได้สติก็ลุลลกขึ้นมาใหม่พุทโธใหม่ แล้วต่อไปมันก็จะหายเผลอเผลอน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีสติมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช่นั้นเราไม่มีใครจะไปเป็นพระพุทธเจ้าได้หรอกพระพุทธเจ้าก็มาจากคนอย่างพวกเราเนี่ยที่ล้มคุกคามแบบนี้แต่มีความพยายามมีความสู้ไม่ถอยพยายามสู้ไปเรื่อยๆมึงเผลอได้กูก็จะดึงึงกลับมาเผลอได้ก็ตั้งใหม่เผลอก็ตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไม่ล้ม มันก็จะเดินไปได้พอสติต่อเนื่องมันก็จะเป็นสัมปชัญญะแล้วมันก็สามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เอาใจสงบได้ก็สามารถเจริญปัญญาได้เห็นตายรักเห็นทุกข์ได้ตอนนี้เรามองไปเห็นตายรักมองไม่เห็นทุกข์พอใจเรามืดบอดบางทีเห็นอยู่นะคะแต่ว่ามันก็เผลอไปกังวลเรื่องกังวลก็เห็นแสดงว่าไม่เห็นแล้ว ถ้าเห็นว่ามันจะไม่กังวลแต่ยว่าทุกคนต้องตายเราจะไปกังวลกับอะไรใช่ไหมที่เรากังวลกับความตายเพราะเราคิดว่าเรายังไม่เราไม่ต้องตายกันแต่ความจริงมันมีใครไม่ตายบ้างกังวลก็ตายไม่กังวลก็ตายใช่ไหมเราไปกังวลทำไมพอเรายังไม่เห็นตายลัยังไม่เห็นความตายตลอดเวลาเวลาไดที่เราเห็นเราก็ไม่กังวล เป็นลายๆที่เราเผลอเราลืมไปว่าเราจะต้องตายเราก็กังวลขึ้นมาทันทีถ้าเรารู้จะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้เราจะไปกังวลกับอะไรมีหนี้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหตายไปก็จบนี่แต่เราไปคิดว่าเราจะอยู่เราก็เลยกังวลกับหนี้กังวลกับคนนั้นกับคนนี้วุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเกิดเราจะต้องตายวันนี้เราจะไปกังวลกับอะไร มันนึเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆความตายนี่คืออันนิจจงเนี่ยตายลักก็คืออันิจจงทุกขังอนัตตาแต่เรายังยังยังไปไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเราต้องเอาสติให้ได้ก่อนเอาพุทโธให้ได้ก่อนพุทโธให้ได้แล้วนั่งสมาธิใจสงบพอใจสงบแล้วทีนี้มันจะคิดถึงความตายได้อยู่เรื่อยๆมันจะไม่กลัวความตายถ้าใจใจไม่สงบนี่มันกลัวเพราะกิเลสมันมัน ทำให้ใจเรากลัวแต่เวลาใจสงบนี่เราเรากดกิเลสไว้พอกิเลสถูกกดไว้มันก็เลยไม่มาสร้างความกลัวให้กับเราเวลาเราคิดถึงความตายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเออมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของร่างกายดังั้นพยายามฝึกสติไปพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วมีเวลาก็พยายามนั่งให้มากๆนั่งบ่อยๆแทนที่จะนั่งดูทีวีก็มานั่งสมาธิดีกว่า ได้ประโยชน์มากกว่าได้ความสุขมากกว่าความสุขที่ดีกว่ามาตอนนี้จะจะให้ถามทางบ้านถามไปสักพักก่อนก็ได้แล้วแค่ตัดคำถามจากผู้ฝากถามจากคุณสี่เมืองตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกแฝดอยู่และเป็นนักบุญในบุญพระศาสนากล่าวว่าลูกแฝดจบมหาวิทยาลัยก็จะผ่านตัวเองเป็นนักปวด อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองสามารถเป็นนักบวชได้ตลอดไปโดยไม่ต้องกลับมาเป็นค า, ารวาอีกควร ม, มีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเป็นนักบวชได้ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ก็ตอนนี้ซ้อมไปก่อนเนยไม่ใช่ว่าจะรอให้เวลามีเวลาแล้วค่อยไปเป็นนักบวชเลยถ้าถึงเวลานั้นมันยังไม่พร้อมเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมซ้อมไว้ก่อน เหมือนคนที่จะเข้ามาหาลัยนี่เขาต้องไปเตรียมติวก่อนไปเตรียมตัวก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆก็คิดว่าอยากจะไปสอบก็ไปสอบได้เลยอันนี้เราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนคือวันธรรมดาก็เป็นนักบุญไปก่อนวันพระเราก็มาเป็นนักบวชหรือวันหยุดที่เราไม่ต้องทำงานวันที่เราว่างเราก็ไปเข้าวัดไปอยู่แบบนักบวชทักวันก่อน แล้วก็ลองปฏิบัติดูถ้าได้ผลเราก็จะรู้ว่าต่อไปเราก็จะเป็นนักบวชได้ถ้ายังไม่ได้ผลนี่มันก็รู้ว่ายัางไปไม่ได้พราถ้าเรานั่งแล้วใจยังไม่สงบพอนี่มันจะรู้สึกทุกเวลาที่ไปอยู่แบบนักบวชอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับไปหาแฟนอยากจะกลับไปหาลูกถ้ายังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่มันก็ยังไปเป็นนักบวชไม่ได้ แต่ถ้าเราไปอยู่วัดแล้วเราไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบลืมเรื่องแฟนลืมเรื่องลูกได้เราก็รู้ว่า อ, อ๋อต่อไปเราไปเป็นนักบวชได้ดังนั้นเราต้องซ้อมก่อนต้องหัดเป็นนักบวชก่อนไม่ใช่รอให้เวลาพร้อมแล้วก็จะไปเลยอย่างงี้ยังไปไม่ได้ก็ในขณะนี้เราเป็นนักบุญเราก็เป็นนักบุญซะอาทิตย์ละหกวันเรามาเป็นนักบวชส้นหนึ่งวัน แล้วถ้าได้ผลดีก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันก็ได้เพราะวันอาทิตย์หนึ่งเรามีวันหยุดสองวันแล้วก็เพิ่มเป็นสองวันแล้วก็ไปเป็นนักบุญสี่วันแล้วถ้าได้ผลดีอาจจะลดจากการเป็นนักบุญจากสี่วันเหลือสามวันก็ได้อห้าวันหรือสี่วันก็ได้แล้วเรามาเพิ่มเป็นนักบวชสักสามวันค่อยๆเพิ่มมันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวพอถึงเวลาที่ลูกเรียนจบเราก็ไปเป็นนักบวชได้เต็มที่เลยไม่ใช่มารอให้ลูกจบแล้วค่อยไปเข้าวัดถึงเวลานั้นก็ไปเริ่มต้นที่ศูนย์มันก็ไปไปไม่ไหวยังต้องรีบทําเสียแต่ตอนนี้ก็าอายุจะมากขึ้นเรื่อยๆ อ, อายุมากขึ้นมันจะขี้เกียจมากขึ้นแก่แล้วมันค่อยอยากจะเรียนอะไรใหม่ๆมันมันเคยชินกับอะไรมันก็จะติดอยู่กับสิ่งนั้นเราต้องพยายาม ฝึกซ้อมไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าไปรอให้ถึงเวลาแล้วค่อยไปเลยมันจะไปไม่ได้คำ ถ, ถามจากคุณจา๋าคนที่ปฏิบัติมากจนบรรลุโสดาบันนี่คือถ้าเกิดวิกฤตเช่นรู้ว่ากำลังตายจะไม่ตกใจแต่จะอยู่กับความสงบในใจได้ใช่ไหมคะใช่จะไม่กลัวตายจะไม่กลัวเจ็บจะแยกใจออกจากร่างกายได้ จะเห็นว่าร่างกายเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่น เ, เวลาเราเห็นร่างกายของคนอื่นตายเรารู้สึกเดือดร้อนไหแเราก็เฉยเฉย captain. เหมือนเราเหมือนกนเราดูภาพยนตร์อย่างนี้ดูคนตายในจอภาพยนตร์เราก็เราก็ไม่รู้สึกอะไรฉันใดเวลาเราดูร่างกายของเราก็เหมือนกันเราดูร่างกายเรานี้เป็นเหมือนร่างกายในจอภาพยนตร์คำถามจากคุณสามารถ ถ้าปฏิบัติธรรมมากๆจเจริญภาวนามากๆท่านว่าความจําที่เคยลืมแม้แต่อดีตชาติก็จะระลึกได้ใช่ไหมครับก็คนระลึกชาติได้ก็ร ะ, ะลึกจากการภาวนาเนี่พอจิตสงบเนี่ยเขาก็สามารถที่จะย้อนไปนึกถึงชาติก่อนๆได้บางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ไม่มีความสามารถในระดับนี้สงบแล้วก็เน่งเฉย แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการจะรู้ชาติก่อนหรือไม่รู้ชาติก่อนมันก็ไม่มีผลกับการปฏิบัติของเราในปัจจุบันคำถามจากคุณแสงเพราะคุณเจ้ากาลังจะบอกว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคะใช่เพราะว่าของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปถ้าเราไปยึดไปดติดเราก็จะทุกข์ เพราะเราจะอยากให้เขาอยู่กับเราเราจะอยากแม่เขาจากเราไปถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็จะไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราถึงเวลาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปได้ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์กับการพลาดพลาดจากกันคํถาถามจากคุณพนมพรการที่จิตเราเผลอไปคิดสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไม่ได้ลงมือทำในความจริงเราจะบาปไหมครับ ถ้ายังไม่มีการกระทำทางกายทางวาจายังไม่บาปแต่มันก็เป็นตัวที่เป็นเหมือนตัวที่จะสร้างความํำคาญใจความไม่สบายใจให้กับเราได้ถ้ามันคิดไม่ดีเราก็ต้องพยายามกำจัดมันด้วยการใช้สติคือพุทธโธก็ได้หรือใช้ปัญญาว่ามันเป็นแค่ความคิดเราอย่าไปสนใจกับมันต่อไปมันก็จะเลิกคิดเอง เรือด้ใช้ปัญญาพิจนาว่าทำแบบนี้แล้วจะเกิดโทษกับเราจะเกิดปัญหาให้กับเราพอเราล่วมเป็นโทษต่อไปเราก็จะไม่กล้าคิดคำถามจากคุณแทวนะพาชาตินี้ในอดีตเคยทำผิดศีลทั้งห้าข้อต่อมาศึกษาธรรมะและตั้งใจจะรักษาศีลห้าตั้งใจปฏิบัติธรรมจะสามารถบรรลุโสดาบันไดภายในชาตินี้ได้ไหมคะ ก็นอกจากรักษาศีลก็ต้องฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ต้องหมั่นพิจารณาอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพื่อละความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะเป็นสสดาบาลได้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 ตอนนี้เริ่มกลับมาภาวนาให้มั่นคงในใจอีกความกลัวก็เริ่มลดลงค่ะไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเหมือนเหมือนชีวิตเราไม่เหมือนเดิมไม่มั่นคงอีกต่อไปค่ะคือใจของเรานี้ถ้ามีธรรมะมันก็จะสร้างความมั่นคงให้กับเราพอเราห่างไกลจากธรรมะกิเลสมันก็จะเข้ามาหลอกเราทําให้เรามีความไม่มั่นใจขึ้นมาเพราะว่ากิเลสมันจะหลอกให้เรายึด ให้เราติดกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่พอเรามีความยึดติดเราก็จะมีความกังวลไ ม, ม, วม่มีความไม่มั่นใจว่าจะอยู่กับเราไปได้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีธรรมะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วมันจะต้องจากเราไปเราก็ไม่ไปยึดไปติดเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะมีความรู้สึกมั่นคงภายในใจังนัเราต้องหม่นจเจริญธรรมะอยู่เรื่อยๆหมั่นจเจริญสติเพื่อทาใจให้สงบ นมันจเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเราอย่าไปอยากอย่าไปยึดอย่าไปติดหมดแล้ว<บ>ล่ว<บ>ะดีไม่เป็นไรหมดเราจะได้นั่งสมาธิกันต่อมีใครอยากจะถามอะไรไหมที่นี้ออนเอการนั่งสมาธิเพื่องแบบาวี่แล้วไหมจ๊ะคะ เวลาสงบอยู่ในสมาธิเนี่ยบางครั้งคือสงบมิ่งเฉยกับบางครั้งสงบแล้วมีสติแล้วก็ผู้รู้อยู่ตลอดเวลาแต่สงบมิ่งเหมือนกันอันนี้คือสมาธิเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าสงบแล้วมีผู้รู้เนี่ยรกเรียกว่าเป็นสมาธิถ้าสงบแบบไม่มีผู้รู้นี่ก็แสดงว่าหลับ รู้รู้ตัวเจ้าค่มันมันว่างว่างไปหมดเลยเหมือนดิ่งลงไปอถ้ามันดิ่งมันเนาะมันว่างแสดงว่าเป็นสมาธิแล้วใจไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆใจปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ชั่วคราวแม้แต่ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร อ, ะอันนั้นก็เรียกว่าสมาธิ<ม>ก็เวลาอยู่ในท่าอยู่ในนั้นก็ใช้สติประครับประคองให้อยู่ไปนานๆ อย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งเวลาจะคิดก็หยุดมันแล้วให้มันอยู่ให้มันนิ่งๆไปเรื่อยๆให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วพอออกมาก็มาเจริญสติต่ อ, อแล้วเพื่อที่ได้กลับไปนั่งใหม่เจสติคือเดินปัญญาใช่ไมเ้าค่ะไม่เดินเ จ, จ, จริญสติก็คือให้อยู่กับพุทโธอยู่กับเวลาต่อไปถ้าเรายังไม่ชนานาญทางสมาธิอย่าพึ่งไปทางปัญญา มาฝึกสติให้มีกำลังเพื่อที่จะได้เข้าไปในสมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก่อนเมื่อเราชำนาญแล้วเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการหลังจากนั้นเราถึงค่อยออกมาเจริญปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาเราก็มาพิจารณาร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไปเป็นอาการ32เช่นผมขนเล็บันหนัง ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ทุกถ้าเราปล่อยวางถ้าเราถ้าเราทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดติดเราไม่ปล่อยเราอยากให้เขาอยู่กับเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางแล้เราก็จะเห็นอริยสัจสีว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็เลยทุกข์ พอเราเห็นความจริงว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราปล่อยเขาให้แก่ให้เจ็บให้ตายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นธรรมผู้มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระโสดาบันเห็นอริยสัจ ส, สี่แล้วต่อไปจะรู้ว่าปัญหาของเราความทุกข์ของเราทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของเราเอง เวลาเรามีความไม่สบายใจเราไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่อื่นมาแก้ที่ความอยากของเราตัวเดียวพอไม่สบายกับลูกก็มาแก้ที่ตัวเราอยากให้ลูกดีลูกมันไม่ดีก็ช่างหัวมัน เ, เราก็หายหายอยากพอหายอยากเราก็หายทุกข์ถ้ายังอยากให้มันดีอยู่มันไม่ดีเราก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ว่าความทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจากการดีหรือไม่ดีของลูกมันเกิดจากความอยากของเรา อยากให้เขาดีแล้วเขาไม่ดีงั้นเรามองความจริงว่าเขาไม่ดีจะไปทําให้เขาดีได้อย่างไรเขาเป็นกล้วยจะไปทําให้เขาเป็นส้มได้อย่างไรเขาเป็นกล้วยก็ปล่อยเขาเป็นกล้วยไปอยากไปอยากให้เขาเป็นส้มถ้าอยากให้เป็นส้มแล้วมันไม่เป็นเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทุกข์ขึ้นมเขาไม่ดีอยากให้เขาดีเราก็ทุกข์นี่เราจะเห็นว่าปัญหาทั้งหมดของเรานี่เกิดจากความอยากของเรา แล้วเราจะไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ปัญหาที่ใจเราแก้ที่ความอยากตัวเดียวนี้ผู mm ้ hmm. ที่เห็นอริยสัจสีแล้วจะรู้จักวิธีแก้ปัญหาใจจะแก้ที่ความอยากของตนเอง mm hmm. ไม่ไปแก้คนที่ทำให้เป็นทำให้เราทุกข์กับเขา mm hmm. เขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์ความอยากของเราต่างหากที่ทำให้เราทุกข์ไ่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเขาไม่เป็นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเราเลิอกอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะหายทุกข์เข้าใจน ะ, <Okay. S 2> ะมีอีกไห ม, มอ่าเข้ามาคำถามจากคุณสามารถในพุทธกิจหาของพักคาถาคตที่ท่านโปรดสัตว์เทศและเทวดาอยากทราบว่าท่านเอาเวลาช่วงไหนพักผ่อนจิตครับอ้าก็ตอนบ่ายท่านก็เทศนาให้กับญาติโยม ตอนค่าก็เทศนาให้กับภิกษุสา ม, มเณรตอนเด็กก็เทศนาให้เทวดาหลังจากเทศนาให้เทวดาเสร็จท่านก็พักช่วงสองยามไปก็พักถึงดึกตีสองอท่านก็พักไปถึงสว่างหกโมงเช้าแล้วก็ออกไปโปรดสัตว์ต่อพระพระพุทธเจ้านี้ท่านพักเพียงแ่ชั่วโมงเท่านั้น อย่างที่ท่านสอนพระเนให้ปฏิบัติท่านก็สอนให้ช่วงหกโมงถึงสี่ทุ่มนี้ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิพอสี่ทุ่มสองอยามก็ให้พักผ่อนหลับนอนพอตีสองตื่นขึ้นมาถึง ah, หกโมงเช้าก็ให้ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็จะมีเวลาหลังจากที่เทศนาว่ากล่าวพิสูจน์สมเณีแล้ว สอนเทวดาเสร็จแล้วท่านก็มีเวลาพักผ่อนท่านก็พักไปตามเวลาที่เวลาที่สอนเทวดานี่เขาไม่ได้บอกแสดงไว้ว่าท่านสอนตอนกี่ทุ่มกี่ยามแต่ส่วนใหญ่เทวดาชอบมาตอนดึกๆก็อาจจะคือสอนพระในก็สอนช่วงค่ำหกโมงถึงสองทุ่มอย่างนี้แล้วสองทุ่มถึงสี่ทุ่มจะสอนให้เทวดาหรือเปล่าก็าไม่รู้แล้วแต่ แต่ท่านมีเวลาพักผ่อนเพราะท่านพักไม่มากเหมือนพวกเราเพราะเรามันนอนทีสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงพระพุจ้าท่านนอนแค่สี่ชั่วโมงก็พอคําถามจากคุณมินนี่การที่เราเห็นคนในบ้านเจ็บป่วยจะรู้สึกกังวลเป็นทุกข์กลัวเขาทรมานกลัวเขาตายถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องตายจะเป็นการแช่งไหมคะ ไม่หรอกก็พูดความจริงไงการมองความจริงจะไปแช่งไงแช่งแช่งยังไงถ้ายังไม่ถึงเวลาเขาตถึงเวลาตายเาถ้ายังไม่ถึงเวลาตายเขาก็ไม่ตายอยู่ดีถ้าเราแช่งเก่งก็ดีเลยโกรธใครเกลียดใครก็แช่งให้มันตายวันนี้เลยมันไม่เพียงแต่คิดถึงความตายของเขาเราไม่ได้ทำให้เขาตายหรอกมันเป็นเรื่องปกติการมองความจริงนี่เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิ มองเพื่อที่เราจะได้มาแก้ความอยากของเราที่ไปอยากให้เขาไม่ตายหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไปเกลียดเขาไปว่าเขานี่เราสร้างกบภูยมยังหรือเปล่าอาจารย่ไ ม, ไม่ไม่สร้างอะเรายัางถ้าเราไปด่าเขาเนี่ยไปสร้างกรรมนละ้วเขาก็มากลับมาด่าเราคํำถามจากคุณพิแ์แคน เมื่อคำภาวนาหายไปลมหายใจเบาบางต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะให้รู้เฉยเฉยให้สักแต่ว่ารู้ไปหรือว่าเบาบางดูต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดการดูลมเลยจะหยุดก็ต่อเมื่อจิตวุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบแล้วก็ลมหายไปจากการรับรูก้ก็ให้มีสติประครับประคองตัวรู้ให้รู้เฉยเฉยไปอย่าให้ไปคิดอะไรจนกว่าจะถอนออกมา ไม่มีแล้วเลอการดีวันนี้จะได้ไม่ต้องทํางานหนะัก <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรก็ป่ะแต่ไม่มีจะได้ปิดประชุมนะเรองาลก็อมันเจ้ที่อยู่เอาว่ายังไงว่ามาเห็นบางบ้านเขาต้องมีบางบ้านไม่มีวันความเชื่อไงเป็นความเชื่อเคยเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มีร่างกายก็ยังเป็นดวงวิญ ญ, ญาณอยู่ก็อาจจะเป็นเทพบ้างเป็นอะไรบ้าง แล้วก็คิดว่าอาจาจะอยู่แถวแถวบ้านเขาก็ยอยากจะสร้างบ้านสร้างสารพระภูมิให้เทวดาอยู่ควาจริงเทวดาก็ไม่มีร่างกายแล้วแล้วบ้านที่สร้างให้ก็ น, นิดเดียวสารพระภูมิ <laughs> <laughs> เทวดาก็มีบ้านดีกว่าที่เราสร้างให้เขาอยู่แต่เห็นเคยบอกว่าไม่ไม่มีจริงอะคะใช่ไหมคะในพระไตรปิฎกเรื่องสารพระภูมิอะไร อ๋อในพระในพระไตรปิฎกไม่มีเรื่องสารพระภูมิแต่เรื่อง ด, ดวงวิญญาณ น, นี่มีกายทิพย์นี่มีดวงใจที่ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วอาจจะไปเป็นเทพแล้วเรื่องน้ำมนต์ก็ไม่มีใช่ไหมคะเรื่องน้ำมนต์ก็เป็นเรื่องของพราหมน้ำเขา พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีน้ำมนต์ไม่มีการกดน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่มีใช้กดกดน้ําใจกดใจ เวลาเราทำบุญนี่เราจะมีสุขใจเราก็แบ่งความสุขใจนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเขาก็จะทำให้เขามีความสุขใจไปกับเราด้วยไม่จงเป็นต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้น้ำมนก็ไม่ต้องมีไม่ต้องไปให้ขอน้ามนจากพระไปอาบน้ำมนอาบน้ำมนมันกะเหมือนกอาบน้ำธรรมดานี่น้ำมนมันก็มาจากน้ำนี่แหละ แต่จะทําให้มันขลังหน่อยก็เอาเทียนไปไปหยดหยดมันหน่อยแล้วก็ปากก็มุบมิดมุบมิดมันหน่อย <c oughs> <c oughs> คนเชื่อมาคิดว่าขังนะอาบแล้จะต้องรวยแน่ๆ <c oughs> มันเป็นเรื่องของความเชื่อพะ <c oughs> พุทธศาสนาสอนเรื่องเรื่องกรรมอย่างเดียวเรื่องการกระทําของเรา <c oughs> ความประพฤติของเรานี่แหละเป็นเหตุที่จะทําให้เราดีเราเชื่อ ให้เราสุขให้เราทุกขให้เราเจริญเรือให้เราไม่เจริญไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งนั้นแต่คนไทยเราไม่ค่อยชอบศึกษาคาสอนของพระเจ้ากันก็เลยมีคำสอนของของคนอื่นมาแทรกมาล้วก็สอนกันผิดผิดไปอย่างที่เมื่อกี้หลังก็ถามไงว่าเอะคนไทยนี่ชอบไปวดัดไปทำบุญกันพอจากวัดก็ไปเที่ยวไปกินไปเล่นไป ก็เพราะว่าคนไทยไม่สนใจที่จะศึกษาคําสอนเองแต่สอนกันมาเป็นทอดๆปากตอ่อปากพ่อแม่สอนว่าเออมึงใส่บาตร ท, ทาบุญนะมึงจะได้ไม่ไปตกนรกได้ไปสวรรค์ก็เชื่อแค่นี้แหละพอละถ้าได้ใส่บาตรก็รู้ว่าไม่ตกนรกแล้วได้ไปสวรรค์แล้วแต่ความจริงยังตกนรกได้อยู่ทำบุญแนละ้วถ้ายังไปฆ่าคนอยู่นี่ก็ยังไปตกนรกได้ถ้าไม่รักษาศีลยังไปได้อยู่ ถ้าจะไม่ไปนรกไม่ไปอบายต้องรักษาศี่ห้าแต่เขาไม่สนใจไม่มีเวลามานั่งฟังเทศฟังธรรมอย่างพวกเราเนี่ยเนี่ยมาฟังเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้สติต้องนั่งต้องทนต้องรอต้องฟังแล้บางทีฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฟังใหม่ๆจะไม่ค่อยเข้าใจก็เลยไม่สนใจสู้ไปดูทีวีดีกว่าสนุกกว่าไปดูหนังดีกว่า มันก็เลยไม่มันเลยโง่กันทั้งๆอยู่อยู่กับคําสอนอันเลิกอันประเสริฐไม่มีคําสอนอะแรในโลกนี้ที่ดีเท่ากับคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อให้จบปริญญาเอกก็สู้จบจบเรียนจบพระพุทธศาสนาไม่ได้เพราะเรียนจบพระพุทธศาสนานี่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่เรียนจบปริญญาเอกก็ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังติดอยู่กับความทุกข์อยู่ แต่ไม่สนใจกันมีแต่คอยกําจัดเมื่อก่อนนี้โรงเรียนยังมีสอนธรรมะมีสอนศีลธรรมกันสมัยนี้ตัดทิ้งหมดเลยนั่นแหละคือคนไทยไไใกล้เกลือกินด่างฝรั่งนี้เขาอยู่เมืองนอกเมืองนาเขาศาึกษาข้ามน้ำข้ามทะเลมามาศึกษามาปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยกันเพราะขเห็นคุณค่าประโยชน์ของธรรมะของพระพุทธเจ้า อย่างบ น, นเขาเนี่ยมีชาวต่างประเทศมาอยู่ในี่เกือบสิบคนมั้งมีบวชเป็นพระก็มีเป็นภาคขาวก็มีเพราะเขาได้ศึกษาได้อ่านคําสอนของพระเจ้าแล้วประทับใจว่าสามารถทําให้ใจเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แต่คนไทยเราไม่สนใจกันถือว่าใส่บาตก็พอแล้วทําบุญใส่บาตก็พอแล้วก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องศึกษากัน แล้วก็ใส่แค่วันพระหรือวันวันเกิดก็พอละแต่วันอื่นก็ไม่ใส่ไม่ทำเองแล้วต่างกันไหมคะเวลาตอนเช้าไม่ทันตอนใส่บาตรแต่มาทําเพนอย่างเงี้ยได้ทําตอนไหนก็ได้คือไม่ได้ใส่บาตรกับพระเอาเงินใส่หยอดตู้บริจาค ก, ก็ได้เขอให้เราเสียสละเงินทองที่เป็นของเราเราจะได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าผู้รับอาจจะไม่ได้ถ้าเราใส่เงินถ้าพระต้องการข้าว ใส่เงินเข้าไปท่านก็กินเงินไม่ได้ท่านต้องกินข้าวในเวลาใส่บาตรเขาไม่ให้ใส่เงินเข้าไปในบาตเพราะพระกินข้าวไม่ได้อะพระกินเงินไม่ได้พระมาบินบาตเพื่อหาข้าวกินกันแต่ญาติโยมบางทีก็ไม่มีเวลาไปซื้อกับข้าวก็เลยอะเอาเงินแทนถ้าจะให้เงินก็ต้องให้กับลูกศิษย์อย่าไปให้กับพระอย่าไปใส่ในบาตแล้วถ้าพระต้องการ ถ้าสมมติว่าเบญจบาตรข้าวไม่พอกับข้าวไม่พอก็บอกให้ลูกศิษย์ให้ไปซื้อกับข้าวมาเพิ่มไม่หน่อยอย่างนี้เงินใช้ก็ได้ใช้ทําทําประโยชน์ได้แต่อย่ า, ยาใสไปในบาตมันต้องฝากลูกศิษย์ไว้ถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็เอาไปให้ที่ไปถวายท่านที่วัดก็ได้ตามท่านไปทีหลังทําถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกก็ไว้วันหลังก็แล้วไปซื้อกับข้าวมาใส่แทนก็ได้ ถามถึงพูดถึงเรื่องทําบุญเวลาได้ยินมาว่าเวลาตอนทําบุญเนี่ยก็ให้ถ้าเราจะอุทิศให้ใครเราคิดถึงคนนั้นขณะนั้นก็จะถึงเขาไหมคะถึงถ้าเขารอรับอยู่อ๋อแต่เขาต้องรอรับอยู่ใช่บางทีเขาไม่ต้องการบุญเราเขาก็ามีบุญมากเขาก็ไม่มารอรับ<อ>แต่ก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกัน<ฆ>เผื่อเขารอรับก็จะได้เขาก็จะได้รับไปทํ<ฆ>าตอนที่เราถาวายของเสร็จแล้วก็อุทิศไปเลย ก็ะจะได้สดสดน้อนๆเหมือนอาหารสดสดน้อนๆออกมาจากออกมาจากเตาเลยถ้าเราทิ้งไว้เดี๋ยวเราดื่มก็ได้เราได้ยินม า, าอาจารย์ที่ซึ่งได้เขาว่าเป็นแสงบุญตอนช่วงที่เราเทำบุญพอ เ, เดี๋ยวหลัง<บ>จากทําบุญเสร็จแล้วอาจจะไปทําการค้าแล้วก็เกิดความโลภเกิดอะไรขึ้นมาบุญที่เราทําไว้ก็ถูกกลบเอาไว้เลยเลยเลยแผ่บุญไปอุทีิศไปให้เขาไม่ได้ต้องมานั่งนึกก่อนว่าเช้านี้เราทําบุญ ถึงจะดึงกลับมาได้แล้วให้คนเป็นได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะบุญนี้มันเป็นบุญเล็กน้อยเท่านั้นเองคนเป็นนี่ทำเองได้บุญเยอะกว่าให้เขาทำเขาต้องทำเองเไม่ได้ไม่ได้แต่เราอาจจะมีอุบายแต่ต้องอย่าไปบอกไปสั่งเขาเช่นให้เงินเขาไปแล้วเขาจะเอาไปทำบุญก็เขาก็จะได้บุญถ้าเขาไปเล่นเกมเขาก็จะไม่ได้บุญ แล้วก็มีหน้าที่พาเขาทําไปก่อนตอนนี้ก็เป็นเด็กๆชวนเข้าไปใส่บาตรชวนเข้าไปวัดไปทําบุญอย่างที่บ้านที่บ้านอําเภอเนี่ยมีบ้านหนึ่งเขาอยดึงลูกมาใส่บาตทุกวันปลุกมันน้ำมาใส่บาตมันปลูกมามันใส่บาตมันก็นั่งเอกหน้างออะแต่ก็พยายามดึงมันแสดงว่าไนี่มันไม่ชอบทําบุญเลยก็พยายามดึงมันบอกมันล่อมันให้มันใส่บาต เราก็บางทีก็มีนมมีอะไรก็แจกมันแต่มันก็ยังนั่งหยิบนั่งงอทั้งาันไอคนนี้แปลกไม่ยอมใส่บาตรชวนมาวัดแล้วนั่งงอเออนั่นแหละแต่ว่าบอกบุญไม่รับเนี่ยพวกนี้อ้าวเข้าใจยังเอามาคำถามที่บ้านคำถามจากคุณวาว การภาวนานั้นเราควรภาวนาจนกว่าจิตจะรวมจงเกิดเป็นมหาสติแล้วจึงค่อยพิจรารณาในทางปัญญาแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็ฝึกสติไปมากๆให้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการเมื่อเราชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วเราก็ออกไปทางปัญญาจะดีกว่าแต่ถ้ายังไม่ชำนาญจาออกไปก็ได้แต่ต้องระวังเพราะว่าเวลาพิจรารณาทางปัญญานี้มันอาจจะฟุ้งขึ้นมาได้ ถ้าฟุงแล้วถ้าเราไม่ชำนาญในการเข้าสมาธิมันอาจจะเข้ายากก็ได้ต่อไปเะนั้นถ้ายังไม่จำเป็นจริงๆก็พยายามฝึกสติไปถ้าลองเข้าสมาธิได้สักครั้งหนึ่งแล้วทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชำนาญเองแล้วพอมันชำนาญแล้วทีนี้ก็ออกทางปัญญาได้พระอาจารย์ครับไอตัวบุญที่พระอาจารย์บอกว่าอุทิศเนี่ยครับหมายความว่าต่อให้ อีกปีหนึ่งถ้าเรายังคงอารมณ์จาอารมณ์นั้นได้อยู่ก็บุญเท่าเดิมครับหรือว่ามันยากอีกปีนึงผ่านไปแล้วเราไปนึกถึงบุญเก่าแล้วนะคงให้มันปิติให้มันเหมือนเดิมไม่ได้อะมันไม่ได้ไม่มีทางใช่ไหมล่ะนะอยแางว่าจะปีง่ายเยมื่อวานนี้กับวันนี้มันก็หายไปหมด ค, ครับความรู้สึกมันหายไปเร็วคำถามจากคุณชาร์ท การเดินจงกรมท่านแนะนําอย่างไรคะต้องบริกรรมหรือไม่การเดินใช้ความเร็วตามธรรมชาติหรือค่อยๆ ย, ยกย่างก้าวคะนมสัส ก, การค่ะตามปกติให้เดินปกติเหมือ น, นกับเราทําภารกิจอะไรต่างๆตามปกติสนใจเราก็มีพุโทโธคอยควบคุมใจไปเรื่อยๆบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนจะทําอะไรก็ตามถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไป เช่นเรากวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอาบน้ำอาบท่าทำอะไรต่างๆนี้เราสามารถใช้พุทโธไปได้เราก็ใช้พุทโธไปไม่ใช่พอภาวนาปัป๊บเวลากวาดบ้านกวาดกวาดอย่างนี้เดี๋ยวชั่วโมงก็ก ว, วาดไม่เสร็เออ ทุกอย่างทำเป็นเป็นปกติไปเดินก็ปกติอะไรก็ปกติไปหมดใจแล้วก็คอยควบคุมรู้รู้ตามรู้ก็ได้เช่นเดินก็รู้ว่ากำลังยกก้าววางยกก้าววางไปไม่ต้องมายกก้าววางวที่บอกว่าหยุดยกหนอนนหนาหนอนนไม่ต้องทำแบบนั้นล่ะไม่ต้อง<ช>แล้ให้เพียงให้เรารู้ว่ากำลังยกกำลังก้าวกำลังวางไปตามปกติแลวใจเราเร็วกว่าร่างกายหลายเท่า ไม่ต้องมาให้มันช้าหรอกที่เขาอยากทำให้ช้าเพราะาอาจจะเพราะว่าช้าแล้วอาจจะทาให้มันเกาะติดมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นเท <c oughs> ่านั้นเองแต่ตามความเป็นจริงแล้วเวลาปฏิบัติจริงๆท้านไม่ทำอย่างนี้หรอท่านก็ดาเนินชีวิตตามปกติไปเดินก็เดินปกติทําอะไรก็ปกติแล้วใจก็มีสติดูกับการกระทำของเราไป <c oughs> คือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่ามีสติแล้ว ให้อยู่กับปัจจุบันขณะใช่ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความคิดที่มักจะไปคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้างแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาวิบัตให้สักแต่ว่ารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไม่ทําไว้ก่อนเวลามานั่งมันจะไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะตลอดเวลาก่อนที่เรามานั่งมันก็ไปอดีตไปอนาคตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเรามานั่งใจมันอยู่กับพุทโธอยู่กับลมมันก็ไม่ยอมอยู่มันก็จะไป ตามที่มันเคยไปทำอยู่เนี่เราต้องทำให้มันอยู่ในปัจจุบันก่อนที่เราจะมานั่งต้องฝึกไว้ก่อนก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติลึงใจให้อยู่ในปัจจุบันพอมานั่งก็เรียกว่ามานั่งทำสมาธิพอใจอยู่ปัจจุบันไม่คิดปรุงแต่งมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้ถามต่อไปคำถามอ่าเดี๋ยวก่อนค่ะที่รู้ว่าแต่ละคนไม่มีเทวดา รักษาตัวคนแต่ละคนนี่จริงไหมทุกคนจังเคยถ้าเราเคยทำความดีกับใครก็ไว้แล้วเกิดเขาตายไปเ็เป็นเทวดาเ้าอาจอยากจะมาคุ้มครองเราก็ได้แต่ไม่ไม่หมายความทุกคนคนที่ทำบาปก็อาจจะมีผีมาคอยหลอกมาคอยฆ่าก็ได้พราะมันไปทำกรรมกับเขาไว้เน้นถ้าเราทำบุญเนี่ยเราอย่างที่ท่านแสดงไว้ในอนิส ง, ง์ของความเมตตานี้ ผู้ที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ใช่แต่เทวดามนุษย์ก็จะรักเราคนที่ทําความดีนี้เราจะมีเพื่อนมีคนที่คิดถึงเราห่วงเราจะมาคอยช่วยเหลือเราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยาดังนั้นเป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งมนุษย์ถ้าเราทําความดีกับใครไว้เขาจะคิดถึงบุญคุณของเราเราอย่างสมุติว่าเ ตัวลูกเราอุทีไ่ได้ไหมคะอุทิศเข า, <c oughs> เขาบุญที่เราอุทิศให้เขามันน้อยกว่า บ, บุญที่เขามีอยู่ะแต่อุทิศได้เขาก็จะขอขอบใจเท่านั้นเองเพราะบุญที่อุทิศนี่เหมือนเงินที่เราให้ขอทานเท่านั้น่เราเอาเงินที่ให้ขอทานไปให้เศรษฐีนี่เขาก็บอกเออขอบใจว่ะแต่ไม่รู้จะไปทําอะไรมา ฉันต้องบุญระดับไหม่ครับอาจารย์เทวดาถึงจะแบบรู้สึกว่าเยอะก็ธรรมะไงอย่างพระพุทเจ้าแสดงธรรมต้องสอนธรรมะให้ปัญญาเขาเนี่ยเขาถึงจะมากให้เขาได้เป็นโสดาบันพระพุเจ้าถึงไปปวดโยมันดาไงเพราะโยมันดาเป็นเทวดาทําบุญกวนน้ําไปก็ไม่ได้ประโยชน์เลยต้องไปสอนธรรมะเทศนาสอนแสดงอริยสัจสี่จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้น อากโสดาบั น, นี้ท่านก็สามารถปฏิบัติไปสู่ขั้นสูงต่อไปได้โดยไม่ต้องมีอาจารย์สอนก็ได้ถ้ามีอาจารย์สอนก็จะไปเร็วถ้าไม่มีก็สามารถเดินไปเองได้รู้จักทางละรู้ใครรู้จักอริยาาสรรัจสีที่สามารถก้าดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะรู้ต้นเหตุของความทุกข์แล้วว่าเกิดจากความอยากของเราเองอามาถามได้คำถามจากคุณลท การปล่อยวางของเราแล้วทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นบาปหรือเปล่าหมายความว่ายงไงการปล่อยวางส่วนให่ไม่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรอกคงแบบไม่ไม่ดูแลไม่อะไรที่มากกว่านไม่ไม่ใส่ใจเลยคือไม่คือไม่ทําหน้าที่ของตัวนี้ก่ออย่าไปว่าว่าไม่ปล่อยวางเลยการปล่อยวางนี่มันไม่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรอกการปล่อยวางหน้าที่ที่เราต้องทําเนี่ยมันทําให้เขาเดือดร้อนได้ ถ้าเรายัางมีหน้าที่อยู่เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ถ้าเราทําไม่ได้เราก็หาคนอื่นมาทําแทนเราก็ได้เชน่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสละราชสมบัติท่านก็มีคนอื่นทําหน้าที่แทนท่านต่อไปก็มีคนดูแลลูกเมียต่อไปท่านก็ไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไปบวชแล้วทิ้งให้ลูกเมียอด อ, อยากขาดแคลนนี้อันนี้เขาเดือดร้อนนี้เราก็ยังต้องมาทําให้เขาไม่เดือดร้อนก่อน ลองหาเงินหาทางสักก้อนหนึ่งให้กับเขาทิ้งไว้ให้เขาแล้วพอพอรู้ว่าเขาอยู่ได้แล้วไม่มีเราเราเขาก็อยู่ได้แล้วก็ไปไปบวชต่อได้ <c oughs> ก่อนจีนน่าจะมีประกันให้สำหรับคนบวชนะห <laughs> รประกันใคนครอบใหญ่ <c oughs> มองไปบวชก็ถือว่าเหมือนคนตาย <laughs> ลูกเมยียจะได้รับเบี้ยประกัน อ่าถามต่อคำ ถ, ถามจากคุณอยู่กับปัจจุบันฟังเรื่องความเชื่อที่พระอาจารย์กล่าวถึงบางอย่างนึกค้านมาตลอดเช่นไหว้เจ้าไหว้เทพเจ้าต่างๆตลอดตลอดทั้งปีประเพณีพวกนี้จะไม่ขอสืบต่อให้ลูกหลานจะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกเพราะมันเป็ น, เ ป, นเป็นความหลงมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะไหว้ถ้าจ ะ, าา จ, ะาจะบูชาก็ต้องปฏิบัติบูชา นั้นถึงจะเกิดประโยชน์เช่นทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาไปทําความดีไปอันนี้จะเกิดประโยชน์จะทําให้กับเจ้าที่ไหนก็ได้เจ้าเขาทราบเขาก็จะดีใจไปกับเราด้วยคำถามจากคุณซังชูเมื่อจิตถึงผวังทําอย่างไรต่อคะก็ให้อยู่ในภวังนั้นไปให้นานถ้าผวังสมาธินะถ้าผวังหลับก็รีบตื่นขึ้นมาค <laughs> คำถามจากคุณจารันรัตลูกได้น้อมรับคำแนะนำจากท่านมาปฏิบัติจากนั่งได้40นาทีแล้วปวดทนไม่ไหวต้องถอนวันนี้ลูกนั่งได้ชั่วโมงครึ่งโดยมีความเจ็บปวดเหมือนเดิมแต่ลูกอดทนเพ่งพุดโทที่หน้าผากจนร้อนผ่าวแต่จิตก็ยังไม่รวมอยู่ดี อย่างนี้ลูกต้องทําอย่างไรต่อไปคะอย่าอย่าไปเพ่งพุโทโธที่หน้าผากให้เพ่งพุโทโธให้อยู่กับคําพุโทโธไม่ต้องไปเพ่งที่ไหนให้เรามีสติบริกรรมไปพุโทโธพุโทโธไปเพ่งอย่างเดียวแล้วจิตมันก็จะรวมได้ถ้าไปอยู่ที่หน้าผากมันจะเป็นสองมีทั้งพุโทโธมีทั้งหน้าผากมันต้องเป็นหนึ่งมันต้องอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วมันถึงจะรวมแล้วถ้าอยู่ที่จมูกนะครับอ๋อถ้าจะรวมนี่ต้องอยู่อยู่กับลมอย่างเดียว ดูลมเฉยๆอย่างเดียวดูลมแล้วพุทโธไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้อย่างงั้นก็ได้มันก็จะให้มันอยู่ที่เดียวแต่มันอาจจะไม่รวมนะส่วนใหญ่อนาปนสตินี่เขาไม่ใช้พุทโธหรอกเขาดูลมอย่างเดียวเอให้ดูลมอย่างเดียวมีพุทโธนี่อาจจะไม่รวมแต่เราไม่เคยใช้เนี่ยพุทโธกับลมเรารวมนี่เราไม่ดู้รวมหรือเปล่าแต่เราใช้แต่ลมอย่างเดียวถ้ารวมอย่างลมอย่างเดียวนี่รับรองได้รวมแน่ๆถ้าถ้าดูจาก ที่จมูกปจมูช่ไหอ่าดู ด, ด, ดูดูที่จุดเดียวอย่าตามดูที่จุดเดียวแต่ว่าไม่ต้องพุโทโธกันไม่ต้องพุทโธถ้าพุทโธมันเป็นสองเอาให้มันอยู่อย่างเดียวจุดเดียวถ้าจะพุโทโธก็พุทโธอย่างเดียวอย่าไปดูลมเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยุบหนอพองหนออะไรก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเข้ายุบหนอพองหนอแล้วรวมกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราไม่เคยลองเองแต่ดูแต่ลมอย่างเดียวน<ะ> <point> ั้นย оры, ยน่าจะรวมมั้งถ้าไม่รวมเขาคงยังไม่มาสอนกันจน จนถึงทุกวันนี้แลแต่เราไม่ได้รับประกรันนะเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ยุบหนาะฟองหนาคคำถามจากคุณมุกดาขอถามพระอาจารย์เรื่องใส่บาตรแฟนหนูเป็นคนซื้อกับข้าวขนมมาให้หนูใส่บาตรหนูเป็นคนหุงข้าวแต่หนูเป็นคนใส่กับรูปทุกวันอยากถามว่าผลบุญได้รับทุกคนไหมคะ มันอยู่ที่ว่าของเหล่านี้เป็นของของใครถ้าของแฟนถ้าของครอบครัวทุกคนก็ได้รับถ้าเป็นของแฟนเราก็ไม่ได้รับถ้าเป็นของเราแฟนก็ไม่ได้รับมันอยู่ที่ของว่าเป็นของใครแล้วช่วงพระท่านกาลังเดินมาเราแผ่เมตตาก่อนใส่บาตรได้ไหมครับเออมันมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแผ่เมตตาความว่าแผ่เมตตานี้ก็คือการที่เรามี ความคิดที่ดีต่อผู้อื่นเราจะแผ่ก็ต่อเมื่อเรามีการพบปะกับผู้อื่นมีการกระทำอะไรกับผู้อื่นเวลานั้นเราต้องแผ่เจนเวลาเจอใครเราก็ทักทายเขาถามสารทุกขสุขดิบสบายดีหรือเปล่าหรือมีของกำลังกินอะไรอยู่ก็แบ่งให้เขากินบ้างอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นึกไม่ใช่อยู่ในใจท่อมสัพเพสตัตตาเวลาหนตุกอันนั้นมันไม่ได้แผ่เขออ้าใจม แล้วซาบีเป็นต่างชาติแล้วเขาเป็นมุสลิมอะค่ะแต่ว่าให้เรามาเข้าพุทธได้อย่างนี้เขาได้บุญกับเราด้วยไหมคะถ้าเป็นเงินของเขาให้เรามาทําบุญเขาก็ได้บุญด้วยได่ไถ้าเป็นบุญถ้าเป็นเงินของทั้งสองคนแล้วเขาอนุญาตก็ยินดีเขาก็จะได้บุญด้วยเขาก็จะได้บุญถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็จะไม่ได้ปกติเขาจะเข่งมากเขาถ้าเป็น มุสลิมด้วยเขาจะไม่ให้เข้าวัดแต่ว่าเขาพามาเรามาด้วยอย่างนี้ได้เขาก็ได้ใช่ไห้วเข้ามาด้วยยิ่งดีใหญ่มาแต่ไม่ฟังเนี่ยถ้าไม่ฟังก็ไม่ได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมถ้าก็ฟังธรรมแล้วก็อาจจะได้ปัญญาที่ในศาสนาเขาไม่มีสอนก็ลองตัวหลังชวนให้เขาลองมานั่งเป็นเพื่อนดูลูกเล็กอะค่ะอ๋อลูกเล็กก็ยังไม่เป็นไร เขามาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเขาปล่อยให้เรามาได้ก็แสดงว่าดีแล้วเพราะบางคนนี่เขาไม่ยอมไม่ให้เข้าวัดไม่ให้เข้าวัดไม่ในยุ่งผิดกฎหมายด้วยยากมากครับอาารยไปไม่ได้แต่แล้วคนนี้เขาเป็นคนที่ใจกว้างดีอ้ยี่ไม่ได้หรอกอุทิศให้ให้คือเจ้าเจ้ากรรมนายเวรถ้าเป็นคนที่เขา มีเรื่องมีราวกับเราแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยแล้วก็อุทิศให้เขาได้แต่เขาจะรับไม่รับเพื่ออีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าคนบางท่นที่เขาโกรธเกลียดเราเนี่ต่อให้เราซื้อก็นูไม่เขากินเขาก็ไม่เอาใช่ไหมแต่เราก็ไม่ไม่ทราบว่าเจ้ากรราในเวรเป็นใครอย่างนี้เราเราแค่อุทิศไปแล้วแบบเผื่อเขาจะได้อย่างนี้เหมก็อุทิศได้แตถ้าจะรับหรือไม่รับไปอยู่ที่เขาไงอ่าบางทีเขาโกรธเกลียดเรามากๆานี่เขาก็ไม่เขาก็จะไม่รับหรอก เราทิ้ดไปให้เขาทําไมเพื่อให้เขาไม่โกรธไม่เกียดเราใช่ไหมไม่ให้าประจองเวรจองกรรมเราใช่ไหมใช่ค่ะรักสิ่งที่เราให้เขาไปนี่มันถ้าก็พอใจเขาอาจจะเขาอาจจะเลิกโกรธเกียดเราก็ได้เช่นถ้าเราไปทําสร้างความเสียหายให้กับเขาแล้วเขาบอกเขาขอเรียกร้านหนึ่งอย่างนี้ถ้าคุณให้เขาร้านหนึ่งเขาก็จะเลิกจองเวรจองกรรมกับเราคือสมัยก่อนนะคะอโดนแย่งสามีอ่ะค่ะอ่า แต่ว่าตอนนี้หนูอภัยให้เขาหมดแล้วค่ะแต่เขาก็ยังคิดว่าเขาถูกอยู่ดีแต่เขาก็พยายามว่าเราอผิดอย่างนี้ค่ะก็หาสามีคนใหม่ให้เขาเปนลย <c oughs> แล้วคืนสามีคนเก่าให้เขาไปหนูให้ไปตามหนูยกให้เลยค่ะหนูไม่เอาค่ะแล้วเขาไม่เอานะเขาเขาก็อยู่ด้วยกันค่ะตอนถ้าอยู่ด้วยกันก็แสดงว่าเขาแต่ว่าคนไทยก็ไม่ไม่รู้สิคะมาเอาตลอดไม่ไหวอะค่ะ ดีที่ได้มาเจอต่างชาติแล้วเขาเขาดีกับเราแบบนี้ค่ะก็เลยตัดใจได้ตัดใจไปก็แล้วกันจองเมถ้าเขาจะจองเวรจองกรรมเราไปห้ามเขาไม่ได้นอกจากว่าถ้าเราชดเชยค่าเสียหายที่เราสร้างให้กับเขาจนเขาพอใจเขาก็จะเลิกจองเวรจองกรรมกับเราได้ถ้ายัางไม่เลิกก็ฮะเราเี้แล้วอยากเขาเป็นเปรดแล้วเขาจะทอะไรเรา เขาก็ทำํำใจเราไม่ได้หรอกก็เป็นดวงวิญญาณดงวงหนึญญ่งใช่ไหมเขาก็ต้องรอเวลาที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเ ท, เทวทัต ก, กับพระพุทธเจ้าอย่นี้พอเป็นมนุษย์เจอกันเมื่อไหร่ก็ใส่กันเมื่อนั้นแล้วการเอาโหสิกรรมนะยค่ะก็นั่ น, นแห ล, ล, ละคืออโหสิกรรมนีน่มันเป็นส่วนที่เขาทําร้ายเราแล้วเราไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาเราไม่ไปจองเวรจองกรรมเขาเราก็จะได้ไม่ไปทําร้ายเขาเราก็จะได้ไม่ไปสร้างบาปสร้างกรรมต่อไป ถ้าเราไปทําร้ายเขากลับเดี๋ยวเขาจะกลับมาทําร้ายเราต่อมันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดยันถ้าใครเข้ามาทําร้ายเราเราก็เอาโหสิกไปอย่าจองเวรจองกรรมกันแล้วเราต่อไปก็จะไม่มีเวรมีกรรมแล้วถ้าเราเอาโหสิทให้เขาแต่เขาจะยังไม่เอาโหสิทให้เราเหคะก็ต้องปล่อยเขาไปเราไปห้ามเขาไม่ได้แล้วที่เราเอาโหสิทธเพราะว่าเราไปทําเขาเนี่ไม่ใช่เขามาทําเราการอาโหสิทนี่สําหรับคนที่เข้ามาทําเรา เป็ขามาทำร้ายเราแล้วเราโฮสิเออไม่เอาเรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือสมัยก่อนนะคะที่ที่เขาแยกงสามีอย่างเงี้ยค่ะเขาเอาสามีของคุณไปใช่ค่ะแล้วคุณโฮสิใช่ค่ะก็ดีเลยคุณก็ไม่มีเรื่องกับเขาเขาเลยบอกไม่เอาก็ไม่มีปัญหากันทุกวันนี้ใช่ไหมก็คือผู้ชายเขาบอกว่าเขาไปทําผู้หญิงไว้แล้วเขาต้องรับผิดชอบแต่เรามีลูกกับเขาเขาเขาไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะลูกก็เลยปล่อยปล่อยก็สบายก็จบ้องต่างคนต่างไม่มีเรื่องกัน เพทุกวันเนี้ยพอเวลาลูกดื้อเกเรเขาก็โยนมาให้เราหาว่าลูกเสียพ่อหนูอย่างเนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการกล่าวหากันใช่ค่ะมันต้องดูเหตุผลว่ามันใครทําพี่พี่ต้องดูแลนะพี่ต้องรับผิดชอบนั่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็ส่งค่าใช้จ่ายให้ตลอดเออเราก็ทําหน้าที่ของเราไปก็แล้วกันแต่เราทําหน้าที่ไมใจหนูก็เลยตัดปัญหาไม่ไม่ติดต่อเขาเลยออแต่ว่ายังคุยกับลูกอยู่ตลอดก็ได้ถ้าต่างคนต่างไม่มีความคิด ที่เละไม่ดีต่อการมันก็จบลมันก็แสดงว่าไม่มีเวรมีกรรมกันละคือคือหนูไม่ได้ไม่ไม่มีดีกับเขานะคะแต่ว่าเราไม่อยากไปยุ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาชอบเหมือนแบบเอาอะไรให้เราไม่ดีมาคิดคิดรบกวนเราเนี่ยค่ะชอบโยนขยะมาให้เราทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็เครียดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำใจก็ตัดปัญหาตัดปัญหาอย่าติดต่อลยเบอร์ลบไลน์ ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดหรอกรออแต่จะห้างเขาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ mm hmm. เดี๋ยวก็วันดีขึ้นดีก็กหาเจอไม่ไโทรไม่ได้เช อ, อก็ต้องทำใจไปก็แล้วกันสแสดงว่ายังมีเวรมีกรรมกันอยู่ว่ามาเลยสิบห้านาทีคําหามจากคุณโอ oh. หากเวลาใส่บาตรใส่ของแค่ชุดเดียวแต่คนใส่บาตรสองคนถึงเวลาก็จับมือการใส่ของในบาตรขอทราบว่าจะได้ทุนทั้งสองคนไหมคะถ้าเป็นของทั้งสองคนก็ได้ก็จะได้น้อยกว่าสองชุดชุดเดียวก็เหมือนคนละครึ่ง <laughs> คระพงการที่ผมออกแบบเจดีออกแบบศาลาการเปรียดและการออกแบบการกุศลต่างๆเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งใช่ไหมครับหมายถึงทําฟรีใช่ไหมออกแบบแล้วก็ไม่เก็บตังค์หรือเปล่าน่าจะถ้าถวายเป็นรำก็เป็นทานไปก็เป็นการถวายวัตถุทานไปก็ได้ก็เป็นการสร้างทานบารมีไปคำถามจากคุณเบิร์ต การที่กับผมนั่งสมาธิแล้วไม่ค่อยมีสมาธิหรือมีสมาธิไม่กี่นาทีเพราะเวลานั่งจะคิดนู่นคิดนี่จะได้บุญจากการนั่งสมาธิบ้างเปล่าครับถ้าสงบมากก็ได้บุญมากถ้าสงบน้อยก็ได้บุญน้อยถ้าไม่สงบเลยก็ไม่ได้บุญเลยอยากจะถามได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้เขาถามทั้งนี้ก่อนนะเจนถามได้เลยของการถามพระอาจารย์เรื่องการสวดมนต์ครับอก็คือถ้าเราสวดมนต์นี้จําเป็นต้องดูความหมายไหครับถ้าไม่รู้ก็แตกต่างกั คือถ้ารู้มันก็จะได้ปัญญาด้วยเพราะบทสวดมนต์ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคําสอนของพระ พ, พ, พุทธเจ้าถ้าเราสวดพระสูตรต่างๆเช่นสวดธรรมจากสวดสติปัฏฐานสูตรสวดมงคลลสูตรอันนี้เป็นคําสอนถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไรถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้เพียงแต่สติกับสมาธิคือวเวลาสวดใจเราก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจก็จะสงบใจก็จะเย็นสบายแต่ไม่ไม่มีปัญญายั้นถ้าเป็นคาสอนพระเป็นเป็นเป็นพระสูตรเป็นคาสอนพระเจ้าก็ควรจะไปอ่านคำแปลดูเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากเพราะมันจะทำให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อ, อย่างตอนที่เราเริ่มใหม่มๆเราก็อ่านเราก็สวดพระสูตรสติปัฏฐานสูตรแต่เราโชคดีเราไปได้คำแปลเป็นภาษาอังกฤษมา เราก็เราก็สวดภาษาอังกฤษไปท่องไปท่องไปภายในใจขณะที่นั่งสมาธิเราก็ใช้การท่องประสูตนี้ทําใจให้สงบก่อนเพราะเริ่มต้นนี้สติไม่กําลังไม่มากพอที่จะไปดูลมได้ก็ลเลยอาศัยการสวดการท่องไปก่อนสวดไปท่องไปแล้วเข้าใจความหมายด้วยเพราะเป็นภาษาอังกฤษมันก็เลยทําให้เรารู้จักวิธีนั่งอานาปนธรรมสมาธิอานาปนาสติ รู้จักวิธีพิจารณาร่างกายอะไรต่างๆถ้ามีความถ้าถ้าถ้าเข้าใจความหมายมันก็จะได้ประโยชน์ได้ปัญญาได้ความรู้มีไหมไมเตป็นคำถามครับเอาเลเาเต็มที่เลยไม่เป็นไรเ่เว่าเราเเข้าใจว่าการจุดประสงค์ของการที่เราของพุทธศาสนกรชั้นใช่มครับก็คือเราอยากไปนิพพานใช่ครับ สมมติว่าตอนนี้เรายังเป็นประชชนคนธรรมดาอย่างนี้ครับเรามีความคิดที่ว่าสมมติว่าโอเคในสุดท้ายแล้วเราอยากไปนิพพานคือตอนนี้สมมุติว่าถ้าเราคิดว่าไม่อยากมีลูกหรือไม่อยากมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าการที่มีลูกเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างบ่วงต่อไปองี้ไม่ทราบว่าคิดอย่างนี้ถูกไหมครับถูกแล้วถ้ามีลูก<ๆ>ก็าเสร้างความทุกข์ให้กับเขาเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็เป็นบ่วงเป็นภาระทําให้เราไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติเพื่อไปผ่านนิพพานได้ เห็นถ้าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดในลูกได้ก็ไม่เสียหายตรงไห น, นในขณะที่เป็นคาราวะาเป็นนักบุญก็ซ้อมเป็นนักบวชในวันหยุดบ้างวันพระวันพระก็มาถือศีล8กันวันธรรมดาก็ถือศีลห้ากันแล้วต่อไปเราก็จะได้มีกําลังที่จะปฏิบัติศีลแปดภาวนาได้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวัน แล้วพอถึงเวลาเราก็ไปบวชได้เลยอาจารย์คะแล้วสมมติว่าคนที่ป่วยแล้วใกล้จะเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะดวงจิตที่เขาจะไปตอนนั้นถ้าเกิดมีคนไปแบบว่าให้ฟังธรรมะหรือว่าก็าไม่ฟังหรอกขนาดมีชีวิตอยู่บอยให้ฟังยังไม่ฟังเลยไม่ใช่หมายถึงแบบว่าไม่หรอก<ะ>ไม่บอกเขาไม่ได้ละจิตเขาจะต้องเป็นไปตามที่เขาเป็นมาเนะี่ย ถ้ า, ถ า, าคิดดีก็ไปดีถ้าเขาคิดดีได้กลัวจะคิดไม่ดีมันจะมาคิดตอนตายเ eh. วลาตายมันจะคิดร้ายมากกว่าเพราะมันวกลัวตาย<อ>ตมันอยากจะไม่ตายมันจะปีแต่คิดว่าไม่อยากตายอย่างเดียว ย, ยิ mm ่งไม่อยากตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าจะคิดดีก็ยอมตายนี่เลยว่าคิดดีร่างก า, ายไม่เที่ง mm hmm. ยงเป็นทุกข์มันจะต้องตายยอมให้มันตายเรียกอย่างนี้เรียก mm hmm. ว่าคิดดีแต่ขนาดมีชีวิตอยู่สอนให้คิดดีงี้ก็ไม่ยอมคิดกันเวลาใกล้ตายมันจะไปยอมคิดเลย คนคิดว่าคิดดีอยู่ดีๆเราจะมาบังคับให้มันคิดดีได้เลยใช่ไหมคิดให้ปล่อยวางนี่ยคิดดีปล่อยวางได้เป่ะปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลยแล้วให้ฟังธรรมะอย่างนี้ค่ะถ้าก็อยากฟังก็เปิดได้ถ้าก็ไม่อยากฟังไปเดี๋ยวเขาก็ลาคาญกว่าอืแต่เขาพูดไม่ได้แล้วอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเปิดให้เขาฟังตอนที่เขาไม่ตอนที่ก็ไม่เป็นอะไรเขาฟังว่าป่ะ ก็ฟังอยู่นะคะพังก็ลองเปิดดูออืแต่ไม่ทันแล้วค่ะ ไ, ไปแล้วเลยไปแล้ ว, <c oughs> ลวเลยพร <c oughs> ะบิดาบอกจะทําะไรให้ทาตอนก่อนก่อนที่จะตายอะมารอเวลาใกล้ตายมาทําแล้วมันไม่ทันการเมันเด็กเรียนหนังสืออะให้ทํากัดบ้านไปเรื่อยๆดูหนังสือไปเรื่อยๆไม่ใช่มารอวันที่จะก่อนที่จะไปสอบค่อยมาดูหนังสือมันดูไม่ทันหรอกนะ หมดแล้วยังอ่ามาคำถามจากคุณโทมิบริกรรมพุทโธแล้วตั้งจิตไว้ที่สะดือหรือหน้าอกถูกต้องไหมคะเพราะจิตสงบหลังออกสมาธิใจสบายสบายคะ่ะรับกระทบผัสจากคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกอะไรคะ่ะถ้านั่งแล้วสงบก็ใช้ได้ถ้าใจเป็นอุเบกขาไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่มารับรู้ก็ใช้ได้ แสดงว่าเขาถูกอแสดงว่าที่พระอาจารย์บอกว่าต้องไว้ที่พุทโธอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําอีกวิธีดึงแล้วทําแล้วถูกเขาก็ทําไปเลยได้อไม่จําเป็นจะต้องตายตรงถ้าทําแล้วมันเครียดมันตึงเครียดมันร้ออย่างนี้แสดงว่าไม่ถูกอถ้าทำแล้วเย็นสบายนิ่งสงบอย่างนี้ก็ใช้ได้ขอให้ดูผลกั้วกันเพราะแต่ละคนนี่อาจจะมีจริตไม่เหมือนกันหมดแล้วยังเลขหนึ่งเอาเลยเอาคสามถดท้ายนะ นั่งสมาคำถามจากคุณก้องแก้วนั่งสมาธิดูลมหายใจมีบางครั้งรู้สึกแน่นหน้าอกจะแก้จะแก้ไขโดยวิธีใดคะก็อย่าไปสนใจเพราะว่าเวลาเรานั่งสมาธินีกิเลสมันจะสร้างอุปสรรคต่างๆขึ้นมาเช่นความรู้สึกคันตรงนั้นปวดตรงนี้อึดอัดตรงนั้นอึดอัดตรง น, น, รงนี้มันเป็นเรื่องกิเลสสมานขอให้เราพยายามเจริญพุโทโธพุโทโธเจริญสติให้อย่างต่อเนื่อง แล้วเดี๋ยวจิตก็จะค่อยๆสงบลงไปแล้วอาการต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วใช่ไหมโอเคก็มีใครอยากาะถามไหมไม่มีแล้วนะนวนะอ้าวงั้นคิดว่าการการประชุมกันในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไป สต่